ถ้าว่าธรรมะทั้งหลายมีรูปเป็นต้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้โดยเป็นปิยรูปสาตรรูปนะครับเป็นที่น่ารักน่าชื่นใจเนี่ยนะเพราะเป็นที่ตั้งแห่งตันหาว่าตันหานี้เมื่อจะเกิดเกิดขึ้นที่รูปอันเป็นปิยรูปสาตรูปแล้วใชยนะที่อาจารมหาถามเมื่อกี้ว่าเออถ้าตันหามจะเกิดน่าจะเกิดที่สีใช่ไหมครับน่ารักน่าปรารถนาะน่าชื่นใจเนี่ยนะ ถึงกันนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตรัสไว้แล้วว่าดูก่อนพิสูุทัทางลายคำว่าปิยรูปสาตูปนี้แหลเป็นชื่อของอายาัภายในหดังนี้เพื่อจะแสดงว่าจักษุเป็นต้นเนี่นะครับเหมาะที่จะขยายความว่าเป็นปิยรูปสาตูปที่ดีเหลือเกินเพราะเป็นที่ตั้งแห่งความเสน่หาอย่างยิ่งโดยในเป็นต้นว่าจักษุของเราตาของเราหูของเรานะครับ เอางี้นนะบอกว่าของดีๆเนี่ยนะครับใครไปดูมาเราก็ไม่ค่อยยอมรับนั่นต้องใช้ตาเราดูก่อนจึงจะค่อยยอมรับนะครับเสียงดีๆเนี่ยนะครับเพราอๆก็ไม่อยากเชื่อ ง, ง่ายๆนะครับต้องผ่านหูเราก่อนเราจึงจะ ย, ยอมเชื่อนะครับบอกของหอมๆนี่ก็ไม่ค่อยอยากเชื่อนะครับฟังว่าเอออาจจะน่าเชื่อถือก็เชื่อไปงันนะ้นแหะแต่ถ้าผ่านจมูกก่อนอืมใช่ใช่ใชนะครับอาหารนี่อร่อยมากนะครับแต่ถ้าผ่านลิ้นเราก่อนก็จะยอมรับให้คะแนนเต็มที่นะครับ นะของเครื่องใช้ไม้สอยเนี่ยถ้าผ่านกายเราก่อนเนี่ยอืมใช้ได้ใช้ได้นะครับเรื่องราวทั้งหลายแหลเช่นอ่านหนังสือเนี่ยนะครับเนื้อหาเนี่ยนะถ้าผ่านใจเราก่อนนะเออยอมรับว่าใช้ได้ถ้าไม่ผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยนะไม่ค่อยจะยอมรับอะไรง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่รักที่ปรารถนาที่ชื่นใจจริงๆก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจ เพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรก็จะเอาตาของเรานี่แหละครับไปวัดเอาหูเอาจมูกเอาลิ้นเอากายเอาใจของเรานี่แหละครับเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการวัดแต่ละอย่างแต่ละอย่างเพราะฉะนั้นจึงยึดถือในตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่มากนะครับ เนื่องจากไม่เคยใคร่ครวญว่าเออตาเหล่านี้มีเหตุเกิดนะอวิชชาตันหากกรรมเป็นต้นนะเป็นเหตุเกิดแห่งตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อไม่เคยวิเคราะห์ว่าตาเหล่านี้เนี่ยนะครับไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฟีนะครับไม่ได้ปฏิบัติเพื่อคลายกําหนัดเป็นต้นเนี่ยนะมันก็ยิ่งยืดถือในตาหูจมูกลิ้นกายใจ น, นี่มากนะครับกามาธาตุพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกว่าเป็นของต่ําในบทว่าโอรัมภาคียานังของต่ํานะครับกามาธาตุเนี่ยนะ อากุโสลธรรมที่เนื่องด้วยกามาธาตนั้นชื่อว่าโอรัมพาคะและว่าในส่วนเบื้องต่ำสังโย์ที่ประกอบด้วยส่วนเบื้องต่ำคือโอรัมพาคะนั้นโดยเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าโอรัมพาคียะนะครับคือกามาธาตุเนี่ยนะครับเป็นอารมณะปัจจัยของกิเลสตัณหาเป็นต้นกิเลสชาติชื่อว่าสังโยตเพราะประกอบบุคคลผู้มีกิเลสชาตไว้ในวัตะ คือประกอบผู้ที่ยังละ ก, กิเลสไว้ไม่ได้นะครับผู้ที่ยังละ ก, กิเลสไม่ได้ประกอบไว้ในกรรมวิบากและกิเลสนะครับกิเลสเนี่ยนะเป็นตัวเชื่อมประกอบไว้ให้เป็นกรรมและวิบากอยู่ตลอดไปคํานี้เป็นชื่อของส ก, กายที่ถิวิจิกิจชาศีละพะตะประม า, ามาตการมาราคะและพยาบาทนะครับอันนี้ที่เรียกว่าอะไรนะสังโยชนนะ ส, สังโยชน์ที่ผูกไว้ในวะตตนเนี่ยนะครับ ก็หมายถึงโอรัมภากิยาสังโยชน์สังโยชน์ชชเบื้องต่ํา ม, มี5อย่างคือสกายาทิฐิวิจิกิจชาศีลพะตาปรามากามราคะและพยาบาทอธิบายว่าสังโยชน์เหล่านั้นเป็นปัจจัยของสังขารทั้งหลายที่เข้าถึงกามมพบผูกสัตว์ทั้งหลายไว้ด้วยกามมพซึ่งเป็นส่วนเบื้องต่ําเพราะเป็นของต่ําคือเป็นของเลวกว่ารูปประธาและอรูปประธาถ้าเทียบกับพรหมโลกแล้วนะกามมาธาตุนี่ต่ํา ม, มากนะครับ แต่ว่าไอสกายะ ท, ทิทิวิจิกิชสัสศีละพัตตปรามาตการมรา่าพยาบาทเนี่ยครับเป็นเป็นตัวผูกเอาไว้ในกามมาพบเ่านี้นะผูกไว้ให้ตกนรกผูกไว้ให้เป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็นมนุษย์และเป็นเทวดาก็อาศัยนี่แหละครับเครื่องผูก5าอย่างเรานี่แหละด้วยคำว่าโอรัมพาคิยานั่นเองเพิ่งทราบว่าพระองค์ ได้ทรงแสดงถึงความที่สังโยชน์เหล่านั้นเป็นเช่นเดียวกับห่วงน้ําที่อยู่ในภายใต้นะครับเป็นห่วงน้ำนะห่วงน้ําคือตันหานี่นะครับดูการพิสูจนทั้งหลายคําว่าอุมพิยังนี่แหลเป็นชื่อของความโกรธและความแค้นใจนะอมพยังเนี่ยนะคลื่นนะค ล, นนะคลื่นเนี่ยเป็นชื่อของโทสะและความแค้นใจนะครับกิเลสสายโทสะเนี่ยนะเป็นเหมือนคลื่นเป็นเกลียว่ไงั้น เชื่อว่าพยังหรือภั่เนี่ยนะครับเพราะเป็นแดนกลัวภัยคือคลื่นเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอุมิพยังชื่อว่ากโกธเพราะหมายคำ ว, ว่ากโกรธเคืองความกโกรธนั่นเองชื่อว่าอุปายาตหมายคำ ว, ว่าเกาะไว้แน่นโดยการบีบบังคับใจและกายและการเกิดความสั่นสะท้านขึ้นในความคับแค่เนี่ยนะครับมันกดความรู้สึกนึกคิดเนี่ยนะครับกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายมันเกรง็งมันเครียดมันอึดอัดมันคับแ ค, บ, คบไปหมดเนี่ยนะครับ และในคำว่าอุปายานนี้พึงทราบความที่ความโกรธและความคับใจเป็นเช่นกับคลื่นเพราะกลิ้งไปทับสัตว์ที่มีกําลังเสมอตนหลายวาระไม่ให้ผงกหัวขึ้นมาได้แล้วให้ถึงความพินาศย่อยยับคลื่นเนี่ยมันมันจะม้วนเกลียวนะครับใครที่ที่โดนคลื่นเนี่ยจะถูกคลื่นเนี่ยทับคลื่นเนี่ยทับสัตว์ทั้งหลายก็ถูกโทสะกับอุปายานเนี่ยนะครับมันท่วมทับอยู่ตลอดเลยนะ อันนี้เรียกว่าคําว่าภัยคือคลื่นคลื่นคลื่นเ น, นี่ยเป็นชื่อของความโกรธและอุปาญาตนะครับโทสะกับอุปายาสะเนี่ยนะครับอันหนึ่งเพื่ทราบที่กา ม, มาคุณทั้งหลายเช่นกับด้วยน้ําวนนะรูปเสียงกลิ่นรสโพธิ ภ, ภะเนี่ยนะครับเช่นกับน้ําวนเพราะให้สัตว์ทั้งหลายที่ถูกกิเลสครอบงำแล้วท่องเที่ยวไปในอัตตากล่าวคืออารมณ์มีรูปที่น่าชื่นใจเป็นต้นคือจากรูปนี้ไปรูปนั้น จากรูปนั้นมารูปนี้ให้เวียนไปมาโดยไม่ให้จิตเกิดขึ้นในเนค้อมะที่เป็นสิ่งนอกจากกรรมคุณนั้นแล้วให้ถึงความเสื่อมเสียไปเนี่ยนะครับ กามาคุณห้าเนี่ยนะครับมันเป็นเกลียวเหมือนกับวังน้ําวนใช่ไหมครับก็จากรูปสู่รูปจากใบไม้สีเขียว right? like well. สู่สีเหลืองนะจากสีสู่สีจากสีสู่สีจากเสียงสู่เสียงจากเสียงสู่สีก็กลับมาในรูปเสียงกลิ่นรสนะครับก็มีอะไรมัางพ้นจากรูปเสียงกลิ่นรสและโพธาพานะครับมันจึงเป็นวังน้ําวนจริงๆนะครับยากที่จะหลุดได้นะครับมันมีเงื่อนไขให้ผูกมัดรัดตรึงไปเยอะแยะไปหมดนะครับในรูปทั้งหลายนี่นะครับทีนี้มาถึงไอ ฉลามรายบ้างน่ากลัวนะ่ฉลามเสมือนหนึ่งว่าแม้รากสดนะครับรากสดเนี่ยนะครับคือผีเสื้อนะผีเสื้อยักษ์นนะจับกลุ่มกินสัตว์คมคูจับคนผู้เข้าไปในแดนที่หากินของตนผู้เว้นจากการระมัดระวังถึงคนผู้อยู่ในที่ที่ไม่ใช่แดนหากินของมันก็นําไปสู่อํานาจหากินของมันด้วยเล่ห์ของรากสดแล้วทําเขาผู้หมดอํานาจ ให้ไม่สามารถช่วยตัวเองได้นะพระเนาพะนอปรนิบัติแม้ด้วยวันนะพะระโภคยศและความสุขให้ถึงความพิรุษอย่างย่อยยับอย่างใหญ่หลวงฉันใดแม้มาตุคามก็ฉันนั้นจับขคค่มรูผู้ชายผู้ไม่เข้มแข็งผู้เวน้นจากโยนิโสมนสิการด้วยการเยื้องกรยนะผู้ที่ไม่เจริญโยนิโสมนัสิการ์ไม่พิจารณาเริยศัสอะไรสักอย่างเลยนะครับ ก็จะยื้องกายนะครับมาจับโดยการยิ้มของตนที่เป็นเลขกระเทของหญิงนะครับถึงชายผู้เข้มแข็งก็พเนาพนอด้วยมายาหญิงนะครับจะจ๋าจ้ า, าไม่กี่ทีแค่นั้นนะครับกรรมฐานนี่หลนวุบหมดเลยนะแล้วก็ด้วยการประเล่าเปลมด้วยรูปของตนเป็นต้นเขาบอกว่าเมตทัพถึงจะแกร่งขนาดไหนนะครับแต่เจอสาวงามยิ้มไม่กี่ทีเนี่ยนะครับโอ้ยฝีดาบนี่อ่อนระโถยรุนแรงไปหมดแล้ ทำชายผู้หมดอำนาจให้เป็นผู้ไม่สามารถจะยังธรรมะที่เป็นอุปการะแก่ตนมีศีลเป็นต้นนะครับพอไปตกอยู่ในอำนาจและศีลมีเหลือไม้ปาราชิกก็ล่ลวงสังฆาติเศษเป็นต้นนี่นะครับก็เหมือนกับว่าคารวะโดยทั่วไปเนี่ยนะครับมีวินัยไหมครับ มีวินัยหมายค่ะว่าวินัยปิฎกแบบที่ประพฤติปฏิบัติที่เป็นกุศลศีลเหล่านั้ น, นหายากเต็มทีหายากเต็มทนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นอุปการะแก่ชีวิตจริงๆก็คือศีลสมาธิและปัญญาเนี่ยนะครับแต่พอไปเกี่ยวข้องกับมาตุคามเข้าไม่เหลือนะครับเอางี้นะถ้าหาว่าแค่คิดถึงนิศีลก็ร่วงแล้วนะครับสมาธิก็หลุดปัญญานี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับแค่คิดถึงนะโอ้โหอนุภาพนะครับที่พระ อ, องค์ตรัสว่าไม่มีรูปเสียงกลิ่นรส โพธะไดนะครับที่จ ะ, ะรัดเรึงจิตนะครับเป็นที่ดํารงตั้งมั่นแห่งจิตของบุรุษเท่ากับรูปของมาตุคามนะครับเพราะฉะนั้นอดเลยนะครับอดที่จะเจริญศีลสมาธิและปัญญานนให้ถึงพร้อมด้วยการปรนปรือด้วยการสรรเสริญคุณความดีเป็นต้นแล้วให้ถึงความพินาศย่อยยับอย่างใหญ่หลวงพึงทราบความที่มาตุคามเป็นเช่นกับด้วยรากสดจับ กลุ่มสัตว์ดังที่พรนนานามาช่นนี้ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสไว้ว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายคําว่าอาวัดตังคือวังน้ำวนนี่นะครับเป็นชื่อของกลามาคุณทั้ง5คําคว่าคาหารักขัตโสนี่แหละเป็นชื่อของมาถูกความนะครับถูกจับเลยนะถูกจับไปในวังน้ําวนเลยนะครับหลุดยากก็ทิด ท, ทิ ท, ทั้งหลายที่ศึกไปนี่นะครับพ อ, อนานแม่นานทั้งหลายนะครับน้อยทั้งหลายทิด ท, ทั้งหลายนานทั้งหลายนี่ยนะครับ กลับมาบวชใหม่หาง่ายไหมครับยากเต็มทีนะครับถูกจับหมดแล้วนะครับเข้าวังน้ําวนเนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็โหถูกแม่บ้านจับไว้มัดแน่นนะครับแม่บ้านบางคนเ้าว่าไงรู้ไหมครับว่าถ้าหากว่าท่านชวนสามีโยมไปบวชท่านต้องศึกมาเลี้ยงโยมนะว่างั้นว้หนักขนาดนั้นเอไปไกลๆเลยแลย้วกันเอาขนาดนี้เลยนะครับโอ้ยแม่เจ้าพระคุณเอ้ การบรนประชาปฐมมาชานพร้อมด้วยอุปจาระวิปัสนาปัญญาและนิพพานชื่อว่าเนคข ม, มะคำว่าเนคข ม, มะเนี่ยคือการบวชนะครับเรียกนิพพมะเหมือนกันปฐมมาชานหรือว่าอุปจาระสมาธิหรือว่าวิปัสนาหรือว่าปัญญานิพพานทั้งหมดนี้ก็ชื่อว่าเนคข ม, มะนะครับหรือว่ากุศลธรรมทั้งหมดก็เชื่อว่าเนคข ม, มะสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสคํานี้ไว้ว่า กุโสลธรรมแม้ทั้งหมดคือบรรระชาปฐมฌานนิพพานวิปัสนาเราตถาคตเรียกวันเนคข ม, มะผู้ศึกษาเพิ่งทราบความที่บรรระชาเป็นต้นเหล่านั้นเป็นเช่นกับการทวนกระแสเป็นการทวนต่อกระแสแห่งตันหาเพราะว่าโดยความไม่แปล ก, กันธรรมวินัยนี่นะครับชื่อวันเนคข ม, มะธรรมวินัยนี่นะเป็นการทวนกระแสจริงๆนะครับ ศีลทั้งหลายเนี่ยต้อทวนกระแสตั้งแต่เริ่มศีล ส, สมาธิปัญญานี่นะครับผู้การเขาบอกว่ามันแหมมันกลับเก้าสิบองศาเลยนะครับคือมันจะกลับตรงกันข้ามเลยนะครับนะสมมุติว่าก ร, กระแสโลกเขาบอกโอ้โหนี่ดีดีดี ด, ด, ดีเราบอกไม่เที่ยงอะอย่างงี้ยมันตีกลับขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นมันยากเหมือนกันนะครับที่ที่จะเป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นมันกลับนี่มันกลับแบบไม่ใช่ธรรมดาเลยนะครับหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะลักษณะนั้นขอกภัยครับ ทังโลกเขาก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างข้าฟินข้ามเลยก็เพื่อการแดาบยศเพื่อเกียรติเพื่อสรรเสริญแต่พระธเจ้ากับดัดว่าการเหมือนหอกเหมือนแหลนเหมือนเหล่าการ ม, มีความน่าเกลียดเป็นสิ่งที่น่ากลัวเป็นเหมือนกับรากศพเป็นอะไรต่ออะไรเยอะแยะอย่างเงี้ยมันก็แน่นอนนะครับก็ ต, ตรงกับ ข, ข้ามเขาหมดเลยนะ คนที่ไม่ไศึกษาเพื่อศาสนาหรือว่าเพื่อเพืินในการบุญเขาก็คงฟังไม่ได้เอามืออุดหูแน่นอนครับก็รับไม่ได้นะครับแต่ก็ถ้ารับไม่ได้ก็ก็จมไปในห่วงของมหันโนบต่อไปนะครับถือรับไม่ได้คือเรียกวุโรตตาดีมาแนะนําก็ยังรับไม่ได้ก็แสดงว่าเขาก็จมลงแล้วนะครับอันสัตว์ที่จมลงเนี่ยมีมหาศาลนะครับอันพระพุทธเจ้ า, เามาแนะนําเราเพื่อให้พน้นเราก็ต้องยอมรับพระองค์นะครับ สิ่งที่เราชอบก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นของดีสิ่งที่ดีเราก็ไม่ใช่จะชอบนะครับเพราะฉะนั้นของที่เราชอบพระองค์มาบอกว่ามันไม่ดีมันมีทุกข์มีโทษอย่างนั้นก็เหมือนกับคนดีๆเขาแนะนําว่ายาเสพติดมันมีโทษนะนะครับของเหล่านี้มันยิ่งกว่ายาเสพติดอีกนะครับมันก็พยายามเห็นโทษตามก็แล้วกันนะครับทำ ม, มีอัธยาศัยยังไม่เห็นโทษก็ทําบุญก็ตั้งความปรารถนาไว้ หมอเขาตั้งความปรารถนาขอให้เห็นโทษของกามนะครับอืมเข้าท่างเงินแจ๋วแจ๋วนะครับหมอคนหนึ่งเขาตั้งขอให้เห็นโทษของกามทั้งหลายบางเงินนะเวลาทําบุญเวลาฟังธรรมเวลาแสดงธรรมเป็นต้นให้ทานก็ตั้งความปรารถนาะขอให้เห็นโทษของกามบางเงนะอืมแจ๋วแจเพราะว่ากามทั้งหลายเนี่นะครับมันมีทุกทุโทษจริงๆนะโดยเฉพาะลาบสการะสรรเสริญชื่อเสียงเป็นต้นเนี่ยนะเป็นวัตถุ ก, กามที่อันตรายอย่างร้ายแรงมาก ต่อไปนะการตั้งใจของเขาการบรนประชาธรรมวินัยพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกว่าทวนกระแสตันหาโอหแค่ oh, okay. ตั้งใจจะออกจากกามนี่ก็เริ่มทวนกระแสแล้วนะครับบวชก็เริ่มทวนกระแสอยู่ในศีลในธรรมวินัยก็ทวนกระแสของตันหาแล้วอย่างที่พระ อ, องค์ตรัสว่าผู้กำหนัดแล้วด้วยราคะถูกกองแห่งความมืดปิดบังไว้แล้วจะไม่เห็นธรรมะที่ทวนกระแสที่ละเมียดละไมลึกซึ้งเห็นได้ยากและ ละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ที่เป็นไปตามอำนาจของกิเลสทั้งหลายก็ยากนะครับยากที่จะเข้าถึงธรรมวินัยนี้ได้นะครับบทว่าวิริยาสัมพัสะความว่าผู้มีความเพียรประกอบด้วยสัมมประทานสี่อย่างความคล้ายคลึงกันของการข้ามพ้นกระแสตันหาแยกออกเป็นกามโมโขฆาเป็นต้นแห่งพระโยคาวจร น, นั้นกับความพยายามเพื่อพ้นจากกระแสน้ําของ จะตุรงขี่กระเสนาด้วยมือด้วยเท้าเป็นที่ปรากฏชัดแล้วทีเดียวนะครับหมายความว่าผู้ที่จะข้ามพ้นจากวัตตนนี้ต้องใช้ความเพียรความพยายามความบากบันจริงๆนะครับนะสูตรต่อๆไปนี่ก็บอกพรหมจันทร์ทั้งน้าตานะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับนะนะการเพียรพยายามเพื่อที่จะพ้นจากวัตานี้ไม่ธรรมดานะครับ น, นะความคล้ายคลึงกันของบุรุษผู้มีจักษุยืนริมฝั่งแม่น้ำที่มีกะระแสเชี่ยวกับพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีพระจักษุโดยจักษุห้าประการผู้เสด็จข้ามโอฆาทั้งสี่มีกามะโอฆะเป็นต้นได้แล้วประทับยืนบนบกคือพระนิพพานเป็นที่ฝั่งนอกของห่วงน้ำนั้นเป็นสิ่งที่ปรากฏชัดแล้วเช่นกันนะครับพระพุทธเจ้าผู้มีจกักษุหใช่ไหมครับ คือผูธจัก g s u สมัญตจักสุญาณจักสุทิพภะจักสุแล้วก็มังสะจักสุนะมังสะจักสุมีตาเนื้อก็ชัดนะครับต่อไปก็พระองค์ทรงมีทิพภจักสุก็มีตาทิพมองเห็นทั้งใกล้และไกลเห็นหมดนะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นญาณจักสุพระพุองนี้มียานที่มองเห็นอริยสัจเป็นต้นเนี่ยนะครับบัลระดับพนิพาณนะแล้วพระองค์ก็มีธรรมะจักสุคือหมายว่าโสดาปดัตตมักเป็นต้น พระพุทธเจ้ายังมีพุทธจักสุคือมีสมัญต์จักสุอีกนะครับพุทธจักสุนั้นได้แก่อินทรียปโรปริยัตญาณอาศยานุสยญาณและพระองค์มีสมัญต์จักสุมีดวงตาโดยรอบเขาเรียกว่าสัพพัญยุตยานสัพพัญยุตยานนี้เห็นอะไรครับเห็นอริยสัตว์ทั้งสี่ปฏิสัมพิทาสี่เห็นอสสาธารณญาณทั้งหมดนะพระพุทธเจ้าผู้มีจักสุนี่นะครับผู้มีจักสุอันนี้เพราะว่าพระองค์นี้ข้ามถึงฝั่งแล้วนะครับ นะอยู่บนบอกเป็นพรามแนละ้วพอองเป็นผู้ชี้แนะนํานะครับพันผู้ที่ไม่มีศรัทธาเป็นต้นก็ยากที่จะยอมรับได้นะผู้ที่กําลังเล่นน้ําสนุกสนุกเนี่ยนะเคยเล่นน้ำํำแล้วพ่อแม่มาไล่ตีขึ้นไหมครับนะนั่นนะครับสัตว์ทั้งหลายก็ลักษณะนั้นเนี่ยนะขนาดเชื่อพ่อเชื่อแม่แล้วนะก็ยังอยากจะเดิออยากจะเล่นน้ําหมือนะเพราะฉะนั้นเพลิดเพลินในกามทั้งหลายก็ลักษณะเดียวกันนั่นแหละครับในเรื่องนั้นมีคําเปรียบเทียบกับอุปมดาดังต่อไปนี้ กระแสตันหาที่กําลังไหลไปโดยการไหลทยอยกันเหมือนกระแสน้ําในแม่น้ํานะตันหาที่มันไหลแต่ละวันแต่ละวันเหมือนกระแสน้ํานะครับสัตว์ที่ถูกกระแสตันหาพัดไปโดยการหมุนเวียนไปในสังสารวัตรที่ไม่มีใครตามพบที่สุดนะไม่ตามไม่มีตามจบว่ามันสุดที่ไหนเนี่ยนะเหมือนบุรุษที่ถูกกระแสน้ําพัดไป ความยึดมั่นในจักสุนะคือในตาหูจ ม, มูกลิ้นกายใจของพโยคาวจอน์นี่เหมือนความยึดมั่นในปิยรูปสาตรูปนั้นของบุรุษนั้นการชุมนุมแห่งสังโยชตเบื้องต่ํา5อย่างคือสกายาธิฐิวิจิกิจชาสีและพัตะปรามาตนี่นะครับการมาราคะปฏิฆะเนี่ยที่คับขั่งไปด้วยความกโกรธความคับแค้นใจกามมาคุณและมาตุคามเหมือนห่วงน้ําภายใต้ที่มีคลื่นมีน้ําวนและรากสด พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีพระสมันตะจักสุคือส พ, พันยุตยานนะครับทรงทราบโทษของสังสารวัตทั้งหมดและยยธรรมทั้งมวลแล้วสเสด็จประทับยืนบนบกคือพระนิพพานที่เป็นฝั่งนอกแห่งกระแสตันหาตันหาเอื้อมไม่ถึงนะครับนิพพานเนะี่ยเหมือนบุรุษผู้มีจักสุทราบเนื้อความนั้นตามความเป็นจริงแล้วยืนอยู่ที่ฝั่งนอกแห่งกระแสของแม่น้านั้น การที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอธิบายตันหาเป็นต้นและโทษของตันหานั้นให้แจ่มชัดด้วยพระมหากรุณาแก่สัตว์ผู้ถูกกระแสตันหาพัดไปเหมือนการที่บุรุษผู้มีจักสุบอกห่วงน้ำและโทษของห่วงน้ำด้วยความกรุณาแก่บุรุษคนนั้นผู้ถูกพัดพาไปในกระแสแห่งแม่น้ำนั้น การเข้าถึงอบายก็ดีการเข้าถึงทุกข์ในสุขคติก็ดีมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ยังได้รับทุกข์โทษทั้งหลายแล้วเนี่ยนะครับของผู้ไม่รับเอาผ้าดํารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าเหมือนการถึงความตายและการประสบความทุกข์ปางตายในห่วงน้ํานั้นของบุรุษคนนั้นผู้ไม่เชื่อฟังถ้อยคําของบุรุษผู้มีจักษุนั้นไปตามกระแสน้ํา เนี่ยนะถ้าใครที่ไม่รับพระธรรมคาสอนก็จะได้เข้าถึงอบายจริงๆนะครับถ้าหากว่าไม่เชื่อตามไม่ประพฤติปฏิบัติตามเนี่ยนะอันหนึ่งการรับเอาพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วปรารบความเพียรด้วยสามารถแห่งเนคขมมะมีการพิจารณาโทษในตัณหาเป็นต้นและบวชทวนกระแสแห่งตัณหาเป็นต้นและการก้าวล่วงกระแสตัณหาด้วยการปรารบความเพียร น, นั่นเอง คือการถึงฝั่งคือพระนิพพานแล้วอยู่อย่างสบายตามชอบใจด้วยอำนาจอรหัตผลสมาบัติเหมือนการเชื่อถ้อยคำของบุรุษคนนั้นผู้ชี้ให้เห็นโทษแล้วทำความพยายามด้วยมือด้วยเท้ามีมือพุ้ยน้ำและเท้าถีบน้ำนะครับ มือและเหมือนการถึงฝั่งนอกด้วยความพยายามนั้นแล้วไปสู่สถานที่ที่ตนต้องการได้อย่างสะดวกสบายนะครับผู้ที่ไหว้าตามภาษาลีบุตรพโมกขลานาพาโนนพระกสปานี่นะครับไหว้าตามที่พระองค์ทรงแนะนำเนี่ยนะทวนกระแสน้ำก็พ้นทุกได้แล้วจริงๆส่วนในคาถานะครับที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงตรัสไว้ว่าภิกษุพึงละกามทั้งหลายแม้กับด้วยทุก เมื่อปราถนาซึ้นความกเกษมจากโยคะพึงเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะมีจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีถูกต้องวิมุตในการเป็นที่บรรลุมรรคและผล น, นั้นภิกษุนั้นผู้ถึงเวทอยู่จบพรหมจรรย์แล้วถึงที่สุดแห่งโลกเรากล่าวว่าเป็นผู้ถึงฝั่งแล้วนะอธิบายว่าบทว่าสหาปีทุกเขนะชะหยะกาเมความว่าภิกษุ เมื่อทำความเพียรเนือ ง, นองในสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานเพื่อบรรลุฌานและมัถ้าหากบรรดาข้อปฏิบัติเหล่านั้นบุปภาคปฏิบัติสำเร็จได้โดยยากโดยลำบากคือลงสู่วิถีไม่ได้โดยสะดวกด้วยบุปภาคภาวนาเพราะกิเลสทั้งหลายมีกำลังหรือเพราะความเพียรยังไม่แก่กล้าไช้ เมื่อเป็นเช่นนั้นก็พึงละกามได้แม้พร้อมกับด้วยความลําบากคือพึงใช้ปฐมฌานข่มไว้พลางใช้มรที่สามตัดขาดไปพลางจะละกิเลสกามได้นะบางทีในระหว่างที่การปฏิบัตินี่นะครับตั้งแต่การออกบวชนี่นะครับก็ทูกเต็มทีแล้วนะครับโอ้ยกว่าจะสะสางปัญหาเรื่องส่วนตัวเรื่องทั้งหลายหมดเนี่ยนะครับจะออกบวชได้ไม่ง่ายนะครับบางคนจะต้องรอตั้งหลายปีนะครับ วางแผนโน่นอันนี้นะครับกว่าจะตัดเกี่ยวข้องได้ออกมาบวชบวชแล้วหาที่เรียนที่ศึกษานี่นะครับแต่ละอย่างก็โอ้ยมันทุกข์มันยากนะครับศึกษาเข้าใจแล้วเอามาปฏิบัติหมายกิเลสทั้งหลายเป็นต้นก็มีกำลังมากเหลือเกินนะครับอยู่ให้เจริญกุศลแต่ละวันแต่ละวันยางพาสุกกิเลสตัณหาไม่ครอบงำก็ยากเต็มที่นะครับนั่นแหละมันก็ไม่ง่ายเลยนะ เพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสว่าบางคนเนี่ยบวชมาเนี่ยนะครับแม้จะได้ฌานก็หรือบรรลุมร ก, ก็แบบทุกข์ขาปฏิปทานนะครับทุกข์เลือกเกินนะครับที่บางสูตรพระองค์บอกว่าแม้เป็นผู้บวกลักษณะมีน้ําตานองหน้าแลกกันนะครับจึงอยู่ในข้อนั้นมีอธิบายดังต่อไปนี้คือเธอปรารถนาอยู่ว่าแม้หากว่าเราจะพึงบรรลุฌานและมรรคเบื้องสูงได้โดยยากโดยลําบากในบัดนี้ไซแต่เราก็จะอาศัยฌานนี้และมรรค เบื้องสูงนี้บรรลุอรหัตผลแล้วจักเป็นผู้เสร็จกิจละทุกทั้งปวงเสียได้ดังนี้แล้วพึงละกามทั้งหลายพร้อมด้วยฌานเป็นต้นได้โดยลำบากนยโอยกว่าจะละกามแต่ละอย่างแต่ละอย่างได้นี่ยากเหลือกเกินนะครับอีกอย่างหนึ่งบุคคลใดมากไปด้วยกา ม, มวิตกบวชปฏิบัติการชําระศีลหรือข้อปฏิบัติเป็นเบื้องต้นของฌานเป็นต้น อยู่ด้วยอำนาจกาละยานามิตรมีน้ำตานองหน้าร้องให้ไปขมวิตกไปโดยยากโดยลำบากพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไม้เอาบุคคล น, นั้นว่าพึงละกามพร้อมด้วยกับความลำบากนะครับบางคนเนี่ยนะ ก, กิเลสสายราคะเนี่ยมีกําลังมากนะครับเพราะฉะนั้นโอ้ยสังขารทิเสนเนี่ยมันเป็นซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีก เ, เ, เ, เนี่ยนะครับน้ำตาหยดน้ําตาย้อยเลยนะครับ มันน้ำตาร่วงอะนะเป็นอีกแล้วเสียใจนะครับมันอยากร้องให้มันอึดอัดมันคับแค้นมันไม่น่าเลยอย่างเงี้นะครับผมก็ฟังมาเยอะนะเพื่อนพระภิกษุเนี่ยนะครับเ่ยงน้าตาหยดน้ำตาร่วงเขาสังฆาธิเศษนั่นแหละครับมันโอยคิดเงยจะศึกมาจะสึกไอเราก็บวช ด, ด้วยศรัทธาว่างั้น บวช ด, ด้วยศรัทธาอยู่ปริวาตรไปว่าจะพ้นบางคนเป็นซ้ําอีกแล้วโอ้ยนะครับมาแต่งนะไปโทรคนโน้นเขาว่ามาบางคนนี้เขาเสียดสีมันนิดคนนั้นเขาว่ามาหน่อยคนนั้นก็ทุ้งมาอีกกับน้ําตาเล็ดน้ำต า, ำตาร่วงกล่ํากลืนฝืนใจแต่ละวันแต่ละวันนะครับพออยู่ผ่านพ้นไปอีกระยะหนึ่งได้เชื้อกิเลสมันเกิดขึ้นอีกนะครับอีกแล้วนะครับอยู่ปริวาตรไปอีกนะครับ มันก็โอ้ยมันทุกข์มันยากนะครับบางทีเนี่ยกาลังประพฤติวัดปฏิบัติภิกษุมาเอาไม่ทันบอกไปอีกแล้วโอ้ยขาดอีกแล้วเป็นอ า, อาบัติซ้ํามันซ้ําๆำซากซากครับพวกนี้เป็นประเภททุกข์ขาปฏิปทาเหมือนกันเถอะทั้งน้ําตานะครับพวกบวชทั้งน้ําตาทั้งหลายแล้วเนี่ยนะมันก็อยู่ทุกข์อยู่ยากจริงๆนะครับแต่ก็ถ้าสู้พ้นก็สบายนะเพราะว่ากุลบุตรนั้นเมื่อละกามได้ โดยยากเย็นก็ได้ทำฌานให้เกิดขึ้นแล้วทำฌานนั้นให้เป็นเบื้องบาทพิจารณาเห็นแจ้งอยู่พึงดำรงอยู่ในอรหัตตผลตามลำดับนะครับถ้าหากว่าไม่ภาคเพียนพยายามบากบันอย่างจริงๆนะครับยากนะครับที่จะเจริญงอกงามในกุศลธรรมนะครับกิเลส บ, บางตัวเนี่ยนะถ้ามันได้ช่องเท่นไปไม่มีอินทรีสังวรเ น, นี่ยนะครับนะข่าวบูตในบาทอย่างในคมภีว่านั่นแหละครับ ด้วยเหตุ น, นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสไว้ว่าปรานาธรรมะเป็นแดนกเกษมจากโยคะต่อไปบทว่าสัมปชาโนรู้ทั่วถึงคือโดยชอบนั่นเองด้วยมัคคปัญญาที่ประกอบด้วยวิปัสนาสุวิมุตตจิตโตได้แก่เป็นผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีด้วยผลวิมุตในลำดับแห่งการบรรลุอรยิยมรรคนั้นบทว่าวิมุตติยาภัาสเยตัทธะตัทะความว่าพึงสัมผัสคือถึงได้แก่บรรลุหมายความว่า ทำให้แจ้งซึ่งวิมุตต์คือพระนิพพานในเวลาบรรลุมรรคผลนั้นๆ น, น, นะครับอีกอย่างหนึ่งพึงสัมผัสคือถูกต้องได้แก่ถึงมรรคจิตของตนด้วยวิมุตต์ที่เป็นอารมณ์ในเวลานั้นๆคือในเวลาเข้าพร ะ, ะสมาบัตินั้นนั้นอธิบายว่าพึงอยู่ด้วยพร ะ, ะสมาบัติที่อย่างลงสู่พระนิพพานเพาว่าผลจิตมีนิพพานเป็นอารมณ์บทว่าสเวทะคูผู้นั้นชื่อว่าอยู่จบพระเวทคือเพราะเข้าถึงแทงตลอดอริยสัจสี่ ด้วยมัรคยานกล่าวคือพระเวทนะครับความรู้อย่างแท้จริงก็ต้องเป็นความรู้ระดับอริยมรรคที่แทงตลอดอริยสัจนะครับโลกันตะคูผู้อยู่จบแดนขันทโลกนะครับจบแล้วนะครับขันทโลกขันนี้เป็นขันสุดท้ายนะครับจะไม่มีขันในพบใหม่ใดๆทั้งสิ้นนะครับจบสิ้นกันสัทีนึงนะครับพ้นจากวัตทุกขข้ามได้ข้ามยากข้ามเย็นนะครับโอ้แผลเป็นเต็มตัวไปหมดในะลักษณะนี้นะครับเวันนี้นก็ใช้เวลาเท่าๆนี้นะ